บ้านเพื่อนสมผัสสยองสวัสดีเพื่อนเพื่อนและพี่น้องสมผัสสยองทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าสยองขวัญจากชายคนหนึ่งจะมาเล่าให้ฟัง ซึ่งมันได้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองมันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากจนทำให้เขาไม่สามารถจะลืมมันลงได้จนถึงทุกวันนี้และเจ้าของเรื่องต้องขอโทษล่วงหน้ากับการกระทำบางอย่างที่มันอาจจะดูไม่เหมาะสมต้องขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยอย่ามีดราม่าใดาๆกันเลยก่อนที่จะเล่าเรื่อง ผมขอกล่าวถึงตัวละครหลักในนามสมมุติของเพื่อนผมที่ชื่อว่าเอและบีและกระผมขอเท้าความสามอย่างก่อนนะครับเรื่องที่หนึ่งผมกับเอเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่พ่อกับแม่มาทํางานที่กรุงเทพเลยมาเช่าบ้านอยู่ที่กรุงเทพส่วนเอเป็นคนเชียงใหม่แต่พ่อกับแม่มาส่งให้เรียนและอยู่กับลุงกับป้าที่กรุงเทพ บ้านเช่าที่ผมอยู่จะอยู่ซอยบ้านเดียวกับลุงและป้าของเอผมกับเอเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยประถมจึงทำให้ผมกับเอสนิทกันมากผมไปนอนบ้านมันบ่อยครั้งเอมันไว้ใจผมเพราะผมช่วยมันดูแลบ้านตลอดผมก็พอจะมีจิตสำนึกนิดหนึ่งว่ามาใส่บ้านเขาก็ต้องช่วยเขาหน่อย ช่วยงานบ้านนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็ให้ผมหกกุญแจบ้านไว้หนึ่งชุดซึ่งจะเป็นกุญแจหน้าบ้านกับประตูห้องของเอเรื่องที่สองบ้านของเอบ้านของเอจะเป็นบ้านชั้นเดียวเนื้อที่ไม่ใหญ่มากนักประตูทางเข้าเป็นลูกกลองเหล็กดัดเมื่อเปิดประตูหน้าบ้านไปก็จะเจอทางเข้าบ้าน ซึ่งเป็นห้องโถงที่ลุงกับป้าของเอเขาจะอยู่กันเอจะไม่ให้เราเข้าทางนั้นเพราะลุงไม่ชอบให้คนนอกมาเดินผ่านนอกจากจะเป็นแขกของลุงกับป้าพวกเราจะเดินเข้าทางด้านข้างคือเมื่อเข้าประตูหน้าบ้านแล้วระหว่างประตูหน้าบ้านกับประตูห้องโถงจะมีทางเดินกว้างประมาณหนึ่งเมตรเพื่อเดินไปทางด้านซ้ายของตัวบ้าน ซึ่งด้านซ้ายของตัวบ้านก็จะมีเนื้อที่กว้างอีกประมาณ 1.5 เมตรแล้วจะเจอประตูเข้าห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นนั้นมันสามารถทะลุ ก, กับห้องโถงได้เวลาที่เราไปกันก็จะแบ่งกันเป็น2กลุ่ม 1. น, นั่งเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมกันที่ห้องนั่งเล่น 2. เข้าไปนอนดูหนังในห้อง A ซึ่งห้องนั่งเล่นกับห้องของ A จะอยู่ติดกันเรื่องที่สามลุงและป้าของเอลุงและป้าของเอทั้งสองแกยุมากกว่า6กแล้วลุงของเอแกไม่สบายผมก็ไม่รู้ว่าแกเป็นโรคอะไรแต่แกจะมีกิจกรรมแปลกๆที่แกทำคือแกจะยืนกลางแขนแล้วก็ตะโกนดังๆว่าออกไปเสียงดังมาก ระยะห่างของการตะโกนแต่ละครั้งประมาณ30วินาทีแล้วก็ยืนทำอย่างนั้นนานถึง30นาทีได้ซึ่งแรกๆที่พวกเราไปบ้านเอเราก็ตกใจว่าแกเป็นอะไรไม่รู้ว่าเขาไล่พวกเราหรือไล่โรคส่นป้าของเอแกเป็นอัลไซเมอร์แกจะชอบมาถามหาเออยู่บ่อยครั้งเวลาที่แกไม่เห็นหน้าเอ ก็จะมาถามจนพวกเราแอบขำกันไม่ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ตอนผมนั่งเล่นคอมของเออยู่และเอก็อยู่ในห้องนอนของมันป้าแกจะมาถามว่าเอไปไหนผมก็บอกว่าอยู่ในห้องป้าครับแล้วแกก็เดินไปดูในห้องเอแกก็เจอเอนะแล้วแกก็ถามเอว่ากินข้าวหรือ ย, ยังจากนั้น แกก็กลับไปนั่งห้องโถงบ้านแล้วประมาณสักยี่สิบนาทีแกก็จะเดินมาถามอีกว่าเอไปไหนวันหนึ่งแกจะมาถามแบบนี้ประมาณห6รอบแต่ป้าแกเป็นคนน่ารักตัวเล็กๆ เ, เสียงเล็กๆผมเคยคุยกับแกบอ่อยครั้งแกจะชอบเล่าเรื่องสมัยสาวๆลุงพาแกไปเที่ยวนู่นนี่ วาเลนไทยก็ซื้อดอกไม้ให้นู่นนี่นั่นเรื่องที่แกเล่าบางเรื่องผมก็ไม่เข้าใจตอนที่แกเล่าอยู่นั้นบางครั้งแกก็ลืมถึงแม้จะเพิ่งคุยไปเมื่อกี้ก็ยังลืมแต่เรื่องที่แกจำได้แม่นคือเรื่องของลุงส่วนตัวลุงนั้นผมไม่เคยคุยด้วยเพราะแกดูเป็นคนดุดุเลยไม่กล้าเข้าไปคุย มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าปัจจุบันผมอายุ25ปีแล้วย้อนกลับไปเมื่อสมัยมปลายผมเรียนอยู่โรงเรียนชายลวนแห่งหนึ่งในกรุงเทพกลุ่มเพื่อนพวกเราก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆซึ่งเวลาพวกเราโดดเรียนกันก็จะไปบ้านเอตลอดเพราะบ้านของเอค่อนข้างจะฟรีสไตล์ลุงกับป้าแกจะไม่ค่อยสนใจเอสักเท่าไหร่ปล่อยตามสบาย แค่ให้เอมันเอาตัวรอดให้ได้เป็นพอซึ่งบ่อยครั้งที่เวลาเราโดดเรียนกันไปบ้านเอก็จะไปกันไม่ต่ำกว่าสิบคนด้วยความที่เป็นวัยรุ่นก็จะคุยกันเสียงดังรบกวนลุงและป้าของเอมากจึงทำให้ทุกครั้งที่พวกเราไปบ้านเอลุงแกจะชอบมาด่าเหมือนแกไม่พอใจที่เอพาเพื่อนมาบ้านเยอะ พอเอไปเคลียแกก็จะนิ่งๆไปแต่บางครั้งก็จะมีปากเสียงกันนิดหน่อยพอเริ่มมีปากเสียงกันบ่อยลุงแกก็จะล็อกประตูหน้าบ้านเพื่อไม่ให้พวกผมเข้าเวลาพวกเพื่อนมาก็จะเข้าไม่ได้ต้องโทรให้เอมันมาเปิดให้แต่ถ้าเพื่อนๆมาพร้อมผมก็จะเข้าได้เลยเพราะผมมีกุญแจ แต่ทุกครั้งที่เราเข้าบ้านเอเราก็จะรีบเดินเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าประตูไปห้องนั่งเล่นทันทีไม่แววสวัสดีลุงและป้าเพราะกลัวจะโดนไล่ตะเพิดออกเวลาผ่านไปจนเรียนจบมัธยมพวกเราก็แยกย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยตัวผมได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ต่างจังหวัดด้วยความที่พ่อกับแม่ผมแก้กลับมาอยู่บ้าน ส่วนเอนั้นเรียนต่อมหาลัยเอกชนที่กรุงเทพพอเริ่มเรียนมหาลัยเวลาในการนัดเจอกันติดต่อกันในกลุ่มเพื่อนก็จะน้อยลงจึงทำให้ไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวของเพื่อนแต่ละคนสักเท่าไหร่พอเรียนมาถึงปีสองกำลังจะขึ้นปีสามช่วงปิดเทอมผมก็มากรุงเทพ เพื่อจะมานัดเจอกับเพื่อนกลุ่มมัธยมแต่ตอนมากรุงเทพผมติดต่อใครไม่ได้เลยเพราะผมไม่มีเบอร์ติดต่อใครเลยแม้แต่เอเองเนื่องจากผมพึงเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยจึงทําให้เบอร์ติดต่อเพื่อนๆ น, นั้นหายไปด้วยแต่ด้วยความที่ผมสนิทกับเอที่สุดผมจึงมุ่งหน้าไปที่บ้านเอ เป็นที่แรกเพื่อเจอเอจะได้ให้มันช่วยโทรนัดเพื่อนๆมารวมกันเพราะมันเรียนอยู่กรุงเทพน่าจะยังติดต่อกับเพื่อนๆในกลุ่มบ้างพอผมไปถึงบ้านเอประมาณหนึ่งทุ่มก็เห็นว่าตรงห้องนั่งเล่นมันปิดไฟมืดเลยคิดว่าเอมันน่าจะอยู่ในห้องนอนผมเดินไปยังประตูหน้าบ้าน ก็มองเห็นห้องโถงที่ลุงกับป้าเขาอยู่เห็นว่าเปิดไฟอยู่และลุงกับป้าก็นั่งหยุดตรงนั้นผมบิดลูกบิดประตูเพื่อจะเปิดเข้าไปแต่ว่ามันล็อกด้วยที่ว่ากุญแจที่เอมันให้ไว้ผมยังคงมีอยู่ก็ไขเข้าไปแล้วก็สวัสดีลุงกับป้าจากนั้นผมก็ล็อกประตูให้แก แกก็ดูนิ่งๆไม่ด่าไม่อะไรผมจากนั้นผมจึงเดินเลี้ยวซ้ายไปเข้าห้องนั่งเล่นเปิดไฟแล้วก็ไปดูห้องเอว่ามันอยู่ไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่อยู่ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงกลับแล้วผมจึงไปเปิดคอมที่ห้องนั่งเล่นนั่งเล่นคอมรอเอมันกลับบ้าน จนเวลาผ่านไปประมาณสี่ทุมผมก็เห็นลุงของเอเดินมาที่ทางเดินหน้าประตูห้องนั่งเล่นแล้วแกก็ทำกิจกรรมที่แกชอบทําเหมือนที่ผมเคยเห็นแกยืนกลางแขนหันหน้าออกไปนอกบ้านแล้วตะโกนออกไปทั้งทั้งที่ได้ยินบ่อยจนชินแต่ได้เสียงที่มันดังมันก็มีบ้าง ที่ผมรู้สึกสะดุ้งอยู่เหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนั่งเล่นคอมต่อแล้วป้าแกก็เดินมาหาผมมาถามผมว่าเอไปไหนผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนจึงบอกแกไปว่าอ๋อมันไปซื้อของข้างนอกครับป้ามันกำลังจะกลับแล้วแก ก็เดินกลับไปห้องโถงที่แกอยู่ส่วนลุงก็ยังคงยืนตะโกนออกไปอยู่เหมือนเดิมแต่ที่น่าแปลกใจคือทำไมวันนี้แกยืนนานจังตั้งแต่สี่ทุม่มจนตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าทุ่มแล้วแกยังคงยืนตะโกนอยู่ซึ่งในใจผมก็คิดว่าลุงไม่คิดว่าข้างบ้านจะมาด่าเลยหรือไงวะในขณนะนั้น ป้าของเอก็เดินมาหาผมแล้วถามคำถามเดิมเอไปไหนผมก็บอกเดี๋ยวมันก็กลับมาครับป้าแต่รอบนี้ป้าแกไม่เดินไปไหนแกยืนอยู่ข้างๆเยืงๆที่ด้านหลังผมสักหน่อยยืนอยู่อย่างนั้นเกือบสิบนาทีส่วนลุงก็ยังคงตะโกนอยู่ด้วยความที่ผมเริ่มลำคาญผมจึงปิดคอมแล้วไปรอเอในห้องมัน จากนั้นก็เปิดดูหนังไปเรื่อยด้วยความที่ห้องนี้มันปิดถึบและบวกกับเสียงของหนังที่ผมดูจึงทำให้ผมแทบไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกผมนอนดูหนังไปเรื่อยจนเผลอหลับไปแล้วผมก็สะดุ้งตื่นด้วยเสียงเคาะประตูผมหันไปมองดูนาฬิกาก็เวลาประมาณตีสองกว่าแล้ว ผมก็คิดว่าเอมันกลับมาแล้วผมจึงบอกเอจะเคาะทาไมวะบ้านมึงนะเนี่ยเปิดเลยกูไม่ได้ล็อกหลังสิ้นเสียงของผมผมก็ได้ยินเสียงเบาๆว่าออกไปผมนึกในใจลุงแม่งยังไม่หยุดตะโกนอีกละวะไม่เกรงใจข้างบ้านเลยหรือไงแต่รอบนี้ทำไมรู้สึกเสียงมันเหมือนอยู่ในบ้าน หลังจากสิ้นเสียงของลุงเสียงเคาะประตูก็ตามมาๆๆๆผมจึงลุกขึ้นไปเปิดก็เห็นว่าเป็นป้ายืนอยู่แต่สิ่งที่ทำให้ผมตกใจและรู้สึกกลัวก็คือลุงลุงยืนอยู่ข้างหลังป้าด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดแล้วป้าก็ถามว่าเอไปไหนตามด้วยเสียงตะโกนของลุงออกไป แกพูดสลับกันสองคนไปมาเอไปไหนออกไปเอไปไหนออกไปผมรู้สึกกลัวมากตอนนั้นรอบรอบบ้านเงียบสงัดมีแต่เสียงลุงกับป้าที่ยังคงดังอยู่ผมทนไม่ไหวแล้วจึงแวกทางป้ากับลุงจังหวะที่ผมเดินจะพ้นจากป้ากับลุงป้าก็คว้าแขนผมและถามว่าเอไปไหน ต่อได้เสียงลุงที่หันหน้ามาและตะโกนว่าออกไปผมสะบัดมือของป้าออกแล้วรีบวิ่งเพื่อจะออกจากบ้านของเอแต่ด้วยที่ผมล็อกประตูไว้จึงทำให้เปิดไม่ได้ในทันทีจงังหวะที่ผมกําลังหากุญแจจะไขประตูอยู่นั้นเสียงลุงก็ตามมาออกไปออกไปออกไป ออกไปอยู่ข้างหลังผมแกยืนอยู่ในห้องโถงที่แกชอบอยู่แล้วตะโกนอยู่อย่างนั้นส่วนป้าก็กำลังเดินมาหาผมพร้อมพูดว่าเอไปไหนตอนนั้นผมลนมากมือไม้สั่นไปหมดเสียบรูกุญแจแทบไม่ไหวหลังจากที่ผมหลุดมาจากตรงนั้นผมก็ใส่เกียร์หมา วิ่งไปจนถึงปากซอยบ้านของเอตรงปากซอยก็จะมีเซเวนอีเลเอยู่ผมจึงนั่งหน้า7ซเวอเลตั้งสติแล้วคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้าแกสติเลอะเลือนไปหมดแล้วเหรอทำไมลุงเขาถึงทำแบบนั้นกับเราหรือช่วงที่เราไม่ได้มาหาเอสองปีก่อนเพื่อนเราคนอื่น มาทำอะไรให้ลุงเขาเกลียดพวกเราหรือเปล่าจนถึงขั้นต้องไล่อย่างกับหมูกับหมาขนาดนี้ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเกือบตีสี่แล้วผมไม่รู้จะไปไหนดีเนื่องจากบ้านเพื่อนที่สนิทที่สุดเพื่อนก็ไม่อยู่แถมยังโดนไล่ออกมาอีกผมจึงนั่งอยู่หน้าเซเวนอีเลเวนจนถึงเช้าแล้วผมก็ไปหาบี ซึ่งบ้านของบีจะอยู่หลังโรงเรียนมัธยมที่เราเรียนกันจึงเป็นเพื่อนคนเดียวที่ผมพอจะไปหาได้ถูกพอไปถึงบ้านบีผมก็เจอมันช่วยแม่มันจัดร้านขายข้าวแกงผมเดินเข้าไปหามันพอมันเห็นผมมันก็ถามผมว่าเฮ้ยไปไงมาไงเนี่ยแล้วทำไมสภาพดูแย่จังวะเออเดี๋ยวกูเล่าให้ฟัง ว่าแต่มึงมีเบอร์ไอเอไหมโทรหามันให้หน่อยแล้วบอกให้มันมาหาที่บ้านกูขออาศัยนอนก่อนกูยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนโอเคโอเคไปนอนก่อนเลยกูช่วยแม่กูขายของเสร็จเดี๋ยวกูจะโทร บ, บอกเอมันให้ผมนอนหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็บ่ายสามโมงแล้วก็เห็นเอกับบีมันนั่งคุยกันอยู่ผมก็รีบลุกขึ้นมา บอกเอว่าเมื่อคืนกูไปหาที่บ้านมาลุงกับป้าทำกูแทบบา้าแล้วผมก็เล่าเหตุการณ์ให้มันฟังหลังจากที่ผมเล่าเสร็จเอมันก็ถามผมว่ามึงเข้าบ้านไปได้ยังไงวะผมก็ตอบมันว่าก็กุญแจที่ให้กูไว้ไงแล้วเอมันก็บอกกับผมว่าฟังกูนะลุงกูเสียไปสามเดือนแล้ว แกเป็นมะเร็งส่วนป้าหลังที่จากลุงเสียป้าแกก็ไม่ยอมกินข้าวกินปลาจนร่างกายแย่แล้วก็เสียตามลุงไปหลังจากที่ลุงเสียไปได้แค่สองเดือนส่วนตัวกูเองหลังจากที่ป้าเสียก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านกูไปนอนหอเพื่อนกูก็เลยเอาแม่กุญแจล็อกหน้าบ้านไว้ไอ้กุญแจเนี่ยมึงไม่น่าจะมีนะผมช็อกไปสักพัก แล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงอย่ามาตลกอำเก่งนนไอีไฟแท้จริงแล้วตอนนี้ใจผมตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วแล้วไอเอมันก็บอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อไปบ้านกับกูผมเอและบีจึงพากันไปบ้านเอเพราไปถึงหน้าบ้านผมก็เห็นแม่กุญแจล็อกอยู่จริงๆ เราเอ๋ก็ไขพาเขาไปดูรูปลุงกับป้าที่เขียนชาตะมรณะแขวนอยู่ที่ห้องโถงตอนนั้นผมถึงกับขาอ่อนยกมือไหว้รูปลุงกับป้าหลังจากวันนั้นผมก็จับไข้ไปถึงสามวันแล้วผมก็ไม่เข้าไปเหยียบบ้านไอเออีกเลยทุกวันนี้ผมยังจำหน้าและเสียงของลุงกับป้า ที่ยืนอยู่หน้าห้องของเอได้ขึ้นใจปัจจุบันนี้เอย้ายกลับไปทำงานและอยู่กับพ่อแม่ที่เชียงใหม่แล้วส่วนบ้านของลุงกับป้าก็ยังใช้อาศัยบ้างเวลามันมาเที่ยวกรุงเทพและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น สัมซัสยอง